ดูก่อนอศัศวิชีอุปมาเหมือนประทีปน้ำมันจะพึงติดอยู่ได้เพราะอาศัยน้ำมันและไส้เชื้อไม่มีก็เพึงดับเพราะหมดน้ำมันและไส้นั้นฉันใดดูก่อนอศัศวิชีพพิกษุเมือ่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดก็ทราบชัดว่าเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดเมือเ่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดก็ทราบชัดว่าเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดทราบชัดว่าก่อนแต่จะสิ้นชีวิตเพราะกายแตก ความสเสวยอารมณ์คือเวทนาทั้งมวลในโลกนี้จะไม่น่ายินดีจะเป็นของเยน็นเนี่ยนะเหมือนอะไรเห็นะเหมือนอย่างว่าประทีปน้ํามันที่ใส้ก็หมดน้ํามันก็หมดดับลงอ่ะนะหลังจากนั้นก็เย็นอย่างเดียวเลยนะของเราจะอยากเย็นแบบนั้นไหมทิ้งตาอันนี้ก็ขอตาอันใหม่ ทิ้งหูอันนี้ขอหูอ like ันใหม่นะจะดูใบหูมันจะขนาดไหนนะนะทิ้งจมูกอันนี้เอาจมูกอันใหม่เอาจมูกยาวหรือสั้นดีมันมีให้เลือกหลายขนาดนะถ้าทิ้งตาเนี่ยนะตามก็มีให้เลือกหลายชนิดเหมือนกันทิ้งหูก็ใบหูเนี่ยก็มีให้เลือกหลายชนิดนะเลือกเอาชนิดไหนดีทิ้งจมูกนี่ก็จะเอางวงอีกนะจมูกบางอย่างเรียกงวงเลยมีจมูกอีกให้หลายชนิดลิ้นนี่ก็มีอีกหลายประเภทเหมือนกันว่าจะเอากี่แฉกดีเงี้ยนะมีลิ้นอีกหลายประเภท กายล่ะก็ทวีบทจตุบาทอย่างเงี้ยนะเคยได้ยินนะทวีบทก็สองเท้าจตุบาทก็สี่เท้าแล้วก็ยังมีเท้าเยอะๆเช่นกิ่งกือเป็นต้นนะก็มีให้เลือกหลายหลายประเภทด้วยกันที่เป็นกายนะแล้วก็ปฏิสนธิวิญญาณก็ไล่ไป19ดวงเนี่ย น, นะตั้งแต่อเหตุตุกะทวีเหตุุกะติเหตุตุกะก็ว่าเาจะเอาขันไหนดีก็เลือกไปตามนั้นแหละเสียดายมากเลยนะห่วงแขนเพรไม่ห่วงแขนชื่อใครมาลองปิดนั่งอยู่ไงีใครมาปิดตาดูเหรอ ไฟไหมห้องเรียนแน่รัชาบอกไม่มีดีกว่ามีแต่พยาบาลบอกมีดีกว่าไม่มีรัชชาบอกไม่มีดีกว่ามีรัชชาทำเขาแต่เหมอเวทนาในส่วนไม่ใกล้ๆต่มันงให้ทิจนาว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นหรือว่าทิจนาอันนี้ท่านพูดถึงพระอรหันต์ที่ท่านจะปรีนิพพานนะครับตอนท้ายเนี่ยนะตั้งหลังมาเนี่ยว่า อริยาสาวกนั้นได้เสวยสุขเวทนาก็ทราบชาัดว่าสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงไม่น่าพอใจไม่น่าเพลดิดเพลิน อ, อันนี้เขาเรียกว่าธรรมะเครื่องอยู่ของพระอาหารหันต์ท่านเนี่ยนะท่านอยู่แบบนั้นเนี่ยนะพราะท่านไม่เพลินไม่ไม่อะไรในขันที่เป็นอดีตไม่หวังขันที่เป็นอนาคตอยู่แล้วขันที่เกิดขึ้นท่านก็ไม่ได้ไปไปเพลดิดเพลินไปติดข้องไปมีฉันทราคะอันนี้พูดถึงผู้ที่เป็นพระอาหารหันต์แล้ว แต่ว่าถามว่าของเราจะเอาอย่างนี้เลยไหมถ้าทําได้มันดีแต่ปัญหาทําไม่ได้เพราะอะไรนั่งอยู่นี่นะคิดถึงของเก่าไม่รู้กี่เรื่องแล้วแล้วคิดอีกนะว่าเลิกเรียนนะั้นจะไปขึ้นรถจะไปโน่นจะไปคุยกับคนนี้นะวางแผนไว้ตั้งแตนั่งฟังอยู่ในห้องเบ็ดเต็จหมดแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็แหมฝากว่าคิดอดีตบ้างวางแผนอนาคตบ้างคิดอดีตบ้างวางแผนอนาคตบ้างถามว่าถ้าอย่างงี้แก้ยังไง นะเพราะฉะนั้นสูตรเขามีอยู่ว่าตัณหาเกิดที่ไหนหรือเกิดกับวัตถุใดก็พึงละจากวัตถุนั้นทีนี้ถ้าฉันทราคะที่เพลิดเพลินในวัตถุที่เป็นอดีตนะจะมาละฉันทราคะในปัจจุบันในในอารมณ์ปัจจุบันได้ยังไงเนี่ยนีสำนวนอีกอว่าว่าแบบตรงหน่อยก็คือว่าเราชอบอีกคนหนึ่งที่ผ่านมาเราไม่ชอบคนที่เรากําลังเห็นอย่างเงี้ยนะไอ้ที่เราคิดถึงคือคิดถึงคนอดีตอย่างเงี้ยถ้าจะละเนี่ยละละอะไร ละส่วนปัจจุบันหรืละส่วนอดีตนะนี่เขไอไความคิดอันนั้นเนี่ยมันต้องอาศัยอารมณ์ใช่ไหมอาศัยมโนโกธรรมะเกิดมโนวิญญาณไม่ใช่ว่ามโนวิญญาณมันจะเกิดขึ้นโดยเป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุและปัจใจฉะนั้นมโนวิญญาณอันนั้นต้องมีวัตถุกับมีอารมณ์นี่อารมณ์เนี่ยมันทั้งอดีตมันก็รับได้อะก็ต้องไปเคลียร์กับอารมณ์ น, นั้นให้ได้ก่อนถ้าเคลียร์กับอารมณ์นั้นไม่ได้นะเอาเถอ ถ้าสูตรบอกว่าเหมือนกับลูกโคที่ยังไม่ห ย, ย่านมเนี่ยนะลูกโคยังไม่หย่านมมันทำยังไงมันก็ร้องหาแม่ของมันไปเรื่อยของเราก็เหมือนกันนะถ้าติดขันไหนนะมันจะตีมันจะทําให้คิดถึงขันนั้นอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยนะี่เขม่าก่าสูตรนในที่สูตรคุณบุญมีเคยเอามาอ้างว่าแบบคนเทศก็บรลุกคนฟังก็บรลุกเนี่ยนะ สูตรเนีคุณมมในเขมากะสูตรนะสูตรที่ผู้แสดงก็บรรลุผู้ฟังก็บรรลุพระเขมากะนี่เป็นพระอนาคามีานะถามมารู้ได้ยังไงก็ตั้งใจฟังแล้วจะรู้เองสมัยหนึ่งพระภิกษุผู้เป็นเถระหลายรูปอยู่ณโคสิตารามกรุงโกสัมพีนะก็สมัยนั้นแลท่านพระเขมากะอาพาธเป็นไข้หนักได้รับทุกขเวทนาพักอยู่ที่ พัทธริการามครั้งนั้นเป็นเวลาเย็ยนภิกษุผู้เทระทั้งหลายออกจากที่พักแล้วเรียกท่านพระทาสกะมากล่าวว่ามาเถิดท่านทาสกะจงเข้าไปหาเขมากะภิกษุถึงที่อยู่จงบอกกับพระเขมกะภิกษุอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านเขมากะพระเทระทั้งหลายได้ถามท่านอย่างนี้ว่าอวุโส ท่านพออดทนได้หรือยังพอเยียวยาอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกขเวทนาทุเราลงไม่กำเริบขึ้นทุกขเวทนานั้นปรากฏว่าทุเราไม่กำเริบขึ้นหรือนี น, นะก็คือถามอาการป่วยไขย้ก็ให้พระทาสกะเนี่ยไปทำพระเขมกะรูปนี้เป็นพระธรรมกถึกที่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นเนี่ยนะในในในยุคนั้นนีที่เมืองโกสัมพีเนี่ยท่านเป็นธรรมกถึกคําว่าธรรมกถึกแปลว่าผู้กล่าวธรรม นะผู้กล่าวธรรมหรือผู้กล้าในธรรมเนี่ยนะก็คือผู้ผู้แสดงธรรมนั่นเองแปลว่าผู้มีความรู้ความสามารถในการกล่าวธรรมของพระพุทธเจ้าก็ได้นั่นนะ่ะท่านก็พระทาสกะก็รับคำแล้วก็ไปไปถามว่าป่วยเป็นยังไงบ้างน่นะท่านพระเขมากะก็ตอบว่าผมเนี่ยพออดทน ผมนี่อดทนไม่ไหวเยียวยาอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาอันกล้าของผมกำเริบขึ้นไม่ทุเราลงเลยปรากฏว่ากำเริบขึ้นไม่ทุเราเลยเนะพระทาส ก, กะก็กลับมาเรียนพระเถระทั้งหลายเนี่ยนะคือที่อยู่ของพระเขมาก่าเนี่ยเป็นที่อยู่ที่แคบ ๆ, คๆนะกลุ่มพระพระเถระทั้งหลายเนี่ยประมาณหกสิบรูปนะพระเขมากะเนี่ยท่านท่านท่านอยู่ในที่หลีเกรนอะซึ่งอยู่ได้ไม่กี่องค์เนี่ยนะสองสามรูปอ่ะ คำนวณว่าที่กูเตีย่ยมาอยู่นะอันนี้นี่เปรียบนะไม่ใช่เรื่องจริงแต่เปรียบว่าที่ตรงนั้นมันอยู่ได้ไม่เกินสิอ่ะนะแ ต, แต่เกิน560จะไปยืนอยู่ตรงไหนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องส่งทูตไปคนเดียวนะไปกลับนะก็ก็จะถามแล้วลักษณะส่งทูตไปสรงทูตมาเนี่ยมีคนคอยรายงานอยู่ตลอดเนีย่ยนะแต่ว่าจุดประสงค์วัตถุประสงค์ของพระเทระทั้งหลายเนี่ยต้องการให้พระเขมกษัเนี่ยลงมาเนี่ ย, ยนะคือคือให้มามาหาพระเทระเหล่านั้นเนีย่ยนะ ซึ่งพระเถระเหล่านั้นเนี่ยมีมากสถานที่ท่านอยู่เนี่ยมันแคบมาก น, นะก็เนี่ยเหตุผลของท่านทีนี้พระเถระทั้งหลายก็ใช้พระท่านพระทาสกะต่อไปอีกว่าท่านมาเถอดท่านทาสกะท่านจงเข้าไปหาเขมมะกาภิกษุถึงที่อยู่จงกล่าวกาัะเขมกะกาภิกษุอย่างนี้ว่าท่านเขมกะพระเถระทั้งหลายกล่าวกะท่านอย่างนี้ว่าอาวุโสอุปาทานขันห้าเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วคือรูปูปาทานขัน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 อัตตากับอัตานิยะเนี่ยนะแปลว่าถ้าแปลให้ตรงแบบว่าท่านเห็นขันห้าเป็นอัตตาใช่ไหมหรือว่าท่านเห็นว่าขันห้าเป็นของอัตตาหรือบริขารของอัตตาถือท่านไม่ได้ถือว่าขันห้าเป็นอัตตาหรอกท่านถืออัตตาอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าขันห้าเป็นบริขารของอัตตาท่านเห็นแบบนั้นหรือเปล่าเนี่ยนะก็สอบสวนทิฏฐิก่อนนะนะคือแปลว่าท่านเห็นอัตตาเป็นสัตว์เป็นชีวะใช่ไหมนะนําถามแบบนี้ขึ้นมาหรือว่า ขันห้านี้เป็นของอัตต า, านะท่านทัาสกะก็กไปแล้วก็ไปถามปัญหาอย่างนี้พระเขมากาก็ตอบว่าอาวุโสอุปาทานขันห้าเหล่านี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วคือรูปูปาทานขันารขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณผมไม่พิจารณาเห็นอะไรอะไรในอุปาทานขันทั้งห้าว่าเป็นอัตตาหรือว่าของอัตตา ไม่ได้สำคัญผิดว่าขันห้าเป็นอัตราหรือเป็นบริขารของอัตราอะไรเลยนะท่านก็ตอบมาสั้นๆนะถามคำก็ํำนวนว่าตอบคำไปเหมือนกันนะนีท่านพระทาสกาก็ไปเล่าให้พระเทระทั้งหลายฟังพระเทระฟังเสร็จก็ให้ไปถามปัญหาใหมา่บอกว่ามาเถิดท่านพระทาสกาท่านจงเข้าไปหาเขมากาพิสูจถึงที่อยู่แล้วก็กล่าวอย่างนี้นะกล่าวตามเดิมอีก คืออุปาทานขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยได้ทราบว่าท่านพระเถรท่านพระเขมกะไม่พิจารณาเห็นอะไรอะไรในอุปาทานขันห้าเหล่านี้ว่าเป็นอัตตาหรือบริขารของอัตตาถ้าเช่นนั้นท่านพระเขมก ะ, กะก็เป็นพระ้าหันตะขีนาศ ส, สิคือท่านไม่ได้คิดว่าขันห้าเป็นอัตตาหรือขันห้าเป็นบริขารของอัตตาเอ้างั้นท่านก็เป็นพระ้าหันสินะคาถามนี่ครับว่าสรุปเอาเองเลยนะ จริงๆอ่ะ ค, อคือคือมันเป็นคําถามแบบแบบคนมีแผนอ่ะนะคือคือต้องการจะคุยเรื่องอื่นอยู่แล้วแต่ว่าใช้วิธีแบบยังไงให้มันะนะเรียกว่าสร้างปมสร้างประเด็นกันขึ้นมาเท่านั้นเองนะถ้าถ้าท่านไม่เห็นว่าขันท่าเป็นอัตตาหรือของอัตตาท่านก็เป็นพระอรหันต์สิเหมือนกันนะเป็นคำถามแบบล่วงเลยนะพระทาสกะก็ท่านก็เอาพระธีระใช้ท่านก็ไปเนี่ยนะโอ้หลายโยช์มากเลย เสร็จแล้วก็ไปก็ไปเล่าให้ฟังอีกนั่นแหละพระเขมกะก็บอกว่าวุโสทั้งหลายอุปาทานขันห้าที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสนั้นอ่ะผมไม่ได้พิจารณาเห็นสิ่งอะไรอะไรในอุปาทานขันห้าเหล่านี้ว่าเป็นอัตราหรือของอาตาัตราและผมก็ไม่ได้เป็นพระอรหันตตะขีนาศพ น, น, นะนะผมไม่ได้เป็นพระอรหันต์หรอกนี่นนะแต่ผมเข้าใจว่าอัสมิอัสมิแปลว่า คือเรายังมีตันหาและมีมานะในขันนั้นอยู่ไแต่ไม่ได้สำคัญว่าขันห้าเป็นอัตตาหรือบริขารของอัตตาแต่ยังมีมานะในขันหา้ายังมีตันหาในขันห้าอยู่ผมไม่ได้พิจารณาเห็นว่าอายมหสมีติว่าแปลว่าเราเป็นอันนี้คือไม่ได้มีมานะมีทิฏฐิไปสำคัญว่า เราเนี่ยเป็นอันนี้คือเป็นตัวขันห้าไม่ได้เป็นแต่ยังมีมานะในขันห้านะมีมานะในขันห้าแต่ไม่ได้เข้าไปสำคัญว่าขันเราเนี่ยเป็นขันห้านะไม่ใช่คื อ, ค, อคือไม่ได้ไปสำคัญว่าเราอะ่ะคือขันห้าแต่ว่ายังมีมานะในขันห้าอยู่เพราะเพราะม า, ะานะนะนี อันนี้คนทั่วๆไปจะฟังเข้าใจยากแต่ถ้าเข้าใจว่าพระโสดาบันเนี่ยท่านไม่มีทิฏฐิในขันท่าโดยประการทั้งปวงพระอนาคามีเนี่ยยังมีมาณในขันท่าแต่ไม่ได้เข้าใจผิดในขันท่าเ็นเราเป็นนี้คือมาจากบาลีว่ามาจากว่าอายังหัมัสมีเนี่ยนะว่าคือหมายถึงว่าทิมุ่งมุ่งไปที่ทิฏฐิเนี่ยนะ ครังนั้นท่านพทธสกะก็เข้าไปหาพระเถระแล้วก็เล่าให้ฟังอย่างทั้งหมดอีกพระเถระก็ใช้ว่าอันนั้นไปกล่าวกับท่านพระเขมก a อย่างนี้ว่าท่านเขมกะพระเถระทั้งหลายถามท่านอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านเขมกะที่ท่านกล่าวว่าเรามีเนี่ยคืออย่างไรอะนนเอเอเรามีนี่มันเป็นยังไงกัน่เนี่ย อันนี้เรามีนี่มาจากว่าอัสมิเนี่ยนะอัสมิซึ่งหมายถึงมานะนะบาลีว่าอัสมิเนี่ยนะเรามีนี่มันเป็นยังไงวาเรามีนี่มันเข้าใจยากกันนะก็บอกว่าไม่ได้เห็นว่าเราเนี่ยเป็นขันห้าแบบนี้แต่ว่าเรามีมันเป็นยังไงมั้งกันเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งตั้งเป็นคําถามขึ้นว่าท่านกล่าวว่าท่านกล่าวรูปว่าเรามีหรือกล่าวว่าเวทนากล่าวว่าเรามีนอกจากรูปเอาย้อนอีครั้งหนึ่งนะ ท่านกล่าวรูปว่าเรามีหรือกล่าวว่าเราเนี่ยมีนอกรูปท่านคิดว่ารูปคือตัวท่านใช่ไหมหรือว่ารูปอะอย่างอื่นจากตัวท่านนะนะไอ้ที่ว่าเรามีของท่านเนี่ยมันหมายความว่าท่านคือรูปใช่ไหมหรือว่าท่านอะมันนอกจากรูปอันนะท่านตัวเวทนาใช่ไหมคือท่านหรือว่ามันนอกจากเวทนาคือท่าน สัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันว่าท่านคือสังวิญญาณใช่ไหมไอ้ที่ว่าเรามีมคือวิญญาณหรือว่ามันอยู่นอกจากวิญญาณเนี่ยนะก็เป็นคําถามที่ถ้าธรรมดาทั่วไปมันจะตอบไม่ได้เนี่ยนะของมาเองก็ตอบอยอกเงี้ยนะถ้าให้ตอบเองหมดสิทธิ์ตอบไม่ได้อยู่แล้วอ่านตั้งหลายรอบกว่าจะพอจะรู้เรื่องบ้างอ น, น, นะท่านพระทาสกะก็รับคําแล้วก็ ไปถามพระเขมกะพระเขมกะก็บอกพอกันที่เถิดท่านทาสกะว่าการเดินไปเดินมาบ่อยๆอย่างนี้จะมีประโยชน์อะไรคือเดินมาหลายโยอดแลนะ้วเนะยเพราะมันไม่ได้ใกล้มเป็นกิโลกิโลนะห่างกันหลายกิโลนั่นก็เดินไปเดินมาตั้งหลายรอบแลนะ้วเนี่ยแต่ท่านก็เก่งนะท่านจาได้แม่นหมดเลยนะคนถามนี่ได้ทบทวนคําถามหลายคนไปถามให้นี่ก็ทบทวนคําถามคําตอบมาหลายรอบแล้วนะนะ อาบุโสรจงไปหยิบไม้เท้ามาเถิดผมจะไปหาภิกษุทั้งเถระทั้งหลายเองอนะสมัยนี้บอกไปหารถเข็นมาไปนะผมไปได้ท่านพระเขมมะกะก็ยันไม้เท้าเข้าไปหาภิกษุผู้เถระทั้งหลายถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยกับภิกษุผู้เถระทั้งหลายพอผ่านกาันสนทนาปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วก็นั่งและที่ควรส่วนข้างหนึ่ง คั้นแล้วพิสุผู้เทระทั้งหลายก็ได้กล่าวกับท่านพระเขมากะว่าดูก่อนเคมากะที่ท่านกล่าวว่าเรามีเนี่ยคืออย่างไรนั่นนะอัสมิของท่านที่ว่านี่มันเป็นยังไงว่างั้นดูก่อนนับุโสทั้งหลายผมไม่กล่าวรูปว่าเรามีทั้งไม่กล่าวว่าเรามีนอกจากรูปไม่กล่าวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเรามีก็ไม่กล่าวว่าเราเนี่ยมีนอกจากวิญญาณ คือไม่ได้ไปสำคัญว่าตัวเรามีเนี่ยคือรูปไอ้ตัวเราอะ่ะคือรูปก็ไม่ได้สำคัญหรือตัวเรามันต่างหากจากรูปผมก็ไม่ได้สำคัญแบบนั้นอีกแต่ผมเข้าใจว่าเรามีอุปาทานขันห้าคือคอท่านบอกว่าท่านยังยังมีอุปาทานในขันห้าที่เป็นกามุปาทานอยู่เนี่ยนะสรุปว่าพูดแบบเราอะ่ะท่านยังชอบขันห้าอยู่เนี่ยนะ ยังอาศัยขันห้าอันนั้นแล้วมีมา n a อยู่แต่ไม่ได้ไปสําคัญว่าขันห้าเป็นตัวท่านหรืออย่างอื่นจากขันห้าคือท่านท่านไม่ได้เข้าใจผิดอะไรท่านเห็นขันห้าเป็นขันห้านั่นแหละเหมือนกันนะและผมไม่ได้พิจารณาเห็นว่าเราเนี่ยเป็นอันนี้ะนะอายมะหัสมิเนี่ยนะไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกท่านก็อุปมาว่าเปรียบเหมือนกลิ่นดอกอุบลก็ดีกลิ่นดอกปทุมก็ดีกลิ่นดอกบุญทริธ์คือบัวเขาก็ดี ผู้ใดเนอจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่ากลิ่นใบกลิ่นสีหรือว่ากลิ่นเกษรผู้นั้นกล่าวอย่างนี้จะพึงกล่าวชอบหรือเนอเนี่ยนะคือกลิ่นดอกบัวนะกลิ่นดอกบัวแต่ถ้าผู้ใดไปพูดว่านี่กลิ่นใบกลิ่นสีกลิ่นเกสรเนี่ยจะไปพูดถูกไหมอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นนะวุโสดูก่อนอาวุโสทั้งหลายโดยที่ถูกเมื่อจะกล่าวแก้ควรกล่าวแก้อย่างไรเนี่ยถ้าจะพูดให้ถูกมันกลิ่นอะไรอั้น อาบุโสที่ถูกเมื่อจะกล่าวแก้ควรกล่าวแก้ว่ากลิ่นดอกว่างั้นดูก่อนอาบุโสทั้งหลายชั้นนั้นเหมือนกันแลผมไม่กล่าวรูปว่าเรามีทั้งไม่กล่าวว่าเราเนี่ยมีนอกจากรูปเราไม่ไม่กล่าวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเรามีทั้งไม่กล่าวว่าเรามีนอกจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยแต่ผมเข้าใจว่าเรามีในอุปาทานขันห้า คือยังมีอุปาทานอยู่วางนั้นเถิดยังชอบอยู่และผมไม่ได้พิจารณาเห็นว่าเราเนี่ยเป็นนี้เนี่ยคือก็ไม่ได้ว่าตัวเราอะคือขันห้าไม่ได้เข้าใจแบบนั้นอ่ะนะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าพระอริยสาวกละได้แล้วก็จริงคือท่านไม่ได้มีสกายทิติศีลพระตะปรามาตอ่นะปะระอ่าว่าการมาราะและปฏิฆในในอุปาทานขันห้าเลย สรุปนะท่านไม่มีสากายยะทิถิวิจิกิจชาศีละพัตตปาม마ฏกามราคาฆะและปฏิฆะในขันห้าแต่ท่านยังชอบขันห้านะคือกิเลสเดี๋ยวนะเรียนสังโยชนตบพะแล้วจะรู้เราขอภายายตนาบัพะที่พูดถึงสังโยชน์สิบเราจะแยกออกว่ากิเลสมันไม่ใช่มีอันเดียวนะสำน ว, นวนว่าไม่ได้ติดในแง่นั้นแต่ติดข้องในแง่นี้เหมืองงนนติดแบบละเอียดนะแล้วก็ไม่ได้ติดทั้งหมดท่านที่ท่านติดเนี่ยติดอะไรติดในฌานเป็นต้นเนี่ย น, นะ ที่ท่านยังติดอยู่ <c oughs> คือผ้านาคามีเนี่ยนะท่านละสังโยชน์เบื้องต่ำห้าได้แล้วก็จริงแต่ท่านก็ยังถอนมานะฉันทะคือตันหาอนุสัยอย่างละเอียดในอุปาทานขันห้าว่าเรามีอ่ะไม่ได้คือก็ยังชอบอยู่หวังกันเถอะยังติดยังคล่องในขันห้าอยู่สมัยต่อมานะ ท่านพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปาทานขันห้า น, นะว่าดังนี้รูปดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปดังนี้ความดับไปแห่งรูปทัวในครั้งหนึ่งว่าพระอนาคามีท่านก็ยังเจริญแบบนี้อยู่นะอานาะปุตุชนผู้เจริญให้เป็นพระโสดาบันก็บอกนี้รูปนี้ความเกิดแห่งรูปนี้ความดับรูปนี้เวทนานี้ความเกิดแห่งเวทนานี้ความ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 ก็ยังคิดแบบนี้อีกนั่นแหละก็ยังเห็นแบบนี้ตามเห็นแบบนี้อยู่ดีเพราตัวนั้นก็กล่าวต่อไปว่าเมื่อท่านพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปาทานขันท่าเหล่านี้อยู่แม้ท่านยังถอนมานะฉันทาอนุสัยอย่างละเอียดในอุปาทานขันท่าว่าเรามีไม่ได้แต่มานะฉันทาอนุสัยก็ถึงการเพิกถอนได้ <c oughs> ก็คือไอเอกรีดอย่างหยาบอ่ะนะคือ สกายะิฐิวิจิกิชาศีละพาตาัตตปรามาต ก, การมราคะและปฏิฆะเนี่ยท่านถอนได้นะแต่ว่าไอ้ละเอียดกว่านั้นคือรูปปาราคะรูปปราคะมานะอุทจฉะอ่ะนะอวิชชาเนี่ยยังละไม่ได้เนี่ยนะคือยังเหลืออีกห้าตัดได้แล้วห้าว่า ง, งันแต่แต่ตรงนี้ให้สังเกตนะว่ า, าพระย่าสาวกจะไม่น้อมเข้ามาหาตัวนะท่านจะกล่าวแก้แต่ธรรมะเท่านั้น ทีนี้กันก็อุปมาว่าดูก่อนนะผู้โสทั้งหลายเปรียบเหมือนภาพเปื้อนเปรอะด้วยมนทินเจ้าของทั้งหลายมอบผ้านั้นให้แก่ช่างซักฟอกช่างซักฟอกขยี้ผ้านั้นในน้ําด่างน้ําขี้เถ้าในน้ําด่างนา้ําอในน้ําด่างเกลือคือผงซักฟอกเขาสมัยก่อนนะขี้เถ้าอย่างหนึ่งขี้เกลืออย่างหนึ่งนะหรือในโคไมอ้นะใช้ขี้วัวซักนะร้า น, นี้น่าเอาไว้ให้ไหม สมัยนี้เอาไปส่งร้านเนี่ยนะเปิดร้านซักผ้าใช้ขี้เท่าใช้ด่างน้ําขี้นะกับสํานวเนืขี้เกลือนะอย่างหนึ่งก็แล้วขี้โคนเนี่ยนั่นแหละเป็นเครื่องซักฟอกกันนะที่ไม่ได้ใช้ไอ้ไอไอน้ำยาซักผ้าแบบตอนนี้เนี่นะไม่ใช่อะคือมันซักไอ้เหงื่อออกได้นนไอ้ขี้โคเพามันเป็นด่างชนิดหนึ่งคือคือจุดประสงค์เนี่ยต้องการจะซักผ้านะต้องการช้าไอ้พวก ของบางอย่างออกเนี่ยนะเช่นมือมันๆเนี่ยนะถ้าใช้ล้ำขี้เท่าล้างมันจะออกผ้านี่ถ้าเ ป, ปิเปพื่อนขี้ใครเป็นต้นนะไปใช้น้ําด่างเนี่ยมันจะซักออกได้เห็นไหมแต่ว่าอย่าลืมว่าสมัยนั้นอนะ่ะเขามีเครื่องสำอางอยู่เท่านั้นจริงๆนะเครื่องมืออุปกรณ์การใช้ก็มีเนี่ยโอ้โหนี่ชั้นสูงเลยนะขี้เท่าเนีย่ยนะน้ำด่างเกลือหรือว่าเอาขี้โคมาเนี่ยนะ อ๋อกองอฟืนนี่แหละนี่แคือของอินเดียเขามีหลายหลายชนิดด้วยกันไอ้ฝาบ้านนั้นก็ด้วยก็กไปเห็นนะี่ยเขาเขามันมีบ้านคนที่ไม่รวยเนี่ยเขาก็ใช้ดินเนี่ยคลุกกับขี้ขี้วัวเนี่ยนะถามว่าอะไรนั่นคือปูนของเขาเพราะถ้าเอาดินไปฉาบเฉยเฉมันจะมันจะแตกมันจะร่วงลงมาถ้าใช้ขี้วัวเนี่ยมันไม่แตกนีนะ บ้านมาเนี่ยแถวแถวบ้านนะไม่ใช่ในบ้านจริงคือบ้านคนอื่นเมื่อสักสิบห้าปีที่แล้วเนี่ยก็ยังทำอยู่เนี่ยนะตอนนี้เขาเลิกทำละทำทำฉางเข้านะมันจะเหมือนกันอ๋อยังใช้อยู่นะเช่นนแข็งแข็งด้วยแล้วก็ฝนไม่ฟุ้งแม่อะไรก็ยังมีในวินัยก็ยังพูดถึงสรุปเขาทัวร์อีกครั้งหนึ่งว่า มีเจ้าของผ้าว่างั้นเอาผ้าที่เปื้อนเนี่ยนะเปื้อนขี้คร้ายนี่แหละเอาไปให้ช่างเขาเรียกว่าให้ร้านซักผ้าโบราณเนี่ยนะใช้ขี้เท่าใช้ด่างเกลือใช้ขี้โคละเอียดเนี่ยซักช่างซักเนี่ยก็ฟอกแล้วแล้วก็มอบผ้าคืนให้เจ้าของทั้งหลายเจ้าของทั้งหลายก็เก็บผ้านั้นเอาไว้ใส่ในหีบ อบกลิ่นเนี่ยนะก็ต้องมาอบกลิ่นอีกครั้งหนึ่งนะนีแม้ผ้านั้นยังไม่หมดกลิ่นน้ําด่างที่เถ้าแล้วก็กลิ่นน้ําด่างเกลือกลิ่นโคไมที่ละเอียดแม้กลิ่นนั้นก็หายไปคือต้องมาอบอีกครั้งก่อนไอ้กลิ่นที่ซักมันยังจะหมดเนี่ยคือตอนแรกก็ต้องเอาไปซักเอาของพวกนั้นมาซักทีนี้พอซักแห้งเสร็จก็ยังเหลือไอ้กลิ่นอันนั้นออกมาสังเกตดูนะเราไปที่ร้านซักผ้าใช่ไหมถ้าถ้าคนที่ไปไปให้ร้านซักนะก็จะกลิ่นไอ เครื่องเครื่องซักผ้าออขอภยัยกลิ่นน้ำยาซักผ้าเป็นต้นเนี่ยจะติดมาพอเอามาเก็บไว้ในตู้นานๆแล้วกลิ่นอันนั้นมันจึงจะหายใช่ไหมต้องเก็บอันนี้ลักษณะเดียวกันดูก่อนอาบุโสทั้งหลายสังโยตเบื้องต่ำห้าของพระอริยาสาวกละได้แล้วก็จริงก็แต่ท่านยังถอนมานะฉันทานุสัยอย่างละเอียดในอุปาทานขันห้าว่าเรามีไม่ได้สระยังชอบขันห้าอยู่ห่างัน สมัยต่อมาท่านก็พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งอุปาทานขันห้าว่านี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี้ความเกิดขึ้นเนี่ยนะความเกิดอันนี้หมายถึงสมุทัยสัจจะนะ น, นี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเวทนา ส, ญญาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี้ความดับไปแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี้เป็นนิโรสัจเจ็นนะก็กล่าวสัจจะสก็พอใช่ไหมตัวที่ไปเห็นนั่นแหละคือมรรคละ เม <c oughs> ื่อท่านพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปาทานขันห้าเหล่านี้อยู่แม้ท่านยังถอนฉันทะเอ่อมานะฉันท่าอนุสัยอย่างละเอียดในอุปาทานขันห้าว่าเรามีไม่ได้แต่มานะฉันท่าและอนุสัยนั้นก็ถึงการเพิกถอนได้ฉันนั้นเนในข้ออุปมาท่านเปรียบเทียบให้เห็นอย่างหนึ่งว่า ที่เหมือนกับซักผ้าเมื่อกี้นะก็วาระจิตของปุถุชนเปรียบเหมือนผ้าสกปรกอนุปัสนาสามเหมือนกับน้ําด่างสามชนิดนะน้ําด่างอะไรขี้เท่าอย่างหนึ่งน้ําด่างเกลืออย่างหนึ่งแล้วก็ขี้วัวอย่างหนึ่งน้ําด่างสามชนิดนี่เหมือนอนุป 3, ันสนาสามเวลาซักฟอกเนี่ยนะวาระจิตของพระนาคามีเปรียบเหมือนผ้าที่ซักด้วยน้ําด่างสามชนิดคือซักแล้วอะแต่ก็ยังมีกลิ่นเหลือใช่ไหม ก็กิเลสที่อรหัตตะมัคค่าเปรียบเหมือนกลิ่นดินเค็มเป็นต้นที่ละเอียดอรหัตตะมัคยานเปรียบเหมือนพระอบของหอมความสิ้นไปแห่งกิเลสทั้งหมดด้วยอรหัตตะมัคเปรียบเหมือนกลิ่นดินเค็มเป็นต้นที่ละเอียดหมดไปเพราะการอาศัยพระอบของหอมเนี่ย ก็ บ, บอกว่าการที่พระขีณาศพผู้ฟุ้งตลบไปในที่ทั้ง1ิบด้วยกลิ่นหอมทั้งหลายมีกลิ่นศีลเป็นต้นเที่ยวจาริกไปตามปราถนาเปรียบเหมือนการที่คนมีกลิ่นตัวหอมนุ่งห่มผ้าที่อบด้วยกลิ่นหอมและท่องเที่ยวไปตามท้องถนนในวันมหรสพวันงานเหมือนกันทีนี้เมื่อท่านพระเขมากะกล่าวอย่างนี้แล้วพี่สุผู้เทระทั้งหลายก็ได้กล่าวกับท่านพระเขมกะว่า ผมทั้งหลายไม่ได้ถามมุ่งหมายเบียดเบียนท่านพระเขมกะเลยว่าไงเถอะไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อจะลุกรานเบียดเบียนให้เดือดร้อนอ่ะนะแต่ว่าท่านเขมากะสา ม, มารถพอจะบอกสแสดงแต่งตั้งบัญญัติเปิดเผยทําให้ตื้นซึ่งคําสอนพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นโดยพิสดารตามที่ท่านพระเขมากะบอกแล้วสแสดงแล้วบัญญั ต, แแ ต, ติแล้วแต่งตั้งแล้วเปิดเผยแล้วจําแนกแล้วทําให้ตื้นแล้วโดยพิสดารเนี่ยนะ คือสังกาสนะปกาศสนะวิวารณาวิภัชนาะอุตตนะกรติเนี่ยพวกนี้คือจำแนกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยเป็นต้นเนี่ยท่านพระเขมกะได้กล่าวคํานี้แล้วพิสุผู้เธระทั้งหลายชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท่านพระเขมกะก็เมื่อท่านพระเขมกะกล่าวควําวยาการณาพาษิทิ์นี้อยู่จิตของพิสุผู้เถระประมาณ60รูปและของท่านพระเขมกะพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน นะเพราะไรเพราะว่าที่ท่านพูดทั้งหมดเนี่ยท่านพูดด้วยอํานาจวิปัสนาคือพูดแบบคนเห็นเขาพูดอะนะไม่ใช่คนฝันพูดอะนะคือคือไม่ใช่นึกถึงพยัญชนะพูดแต่ท่านพิจารณาสิ่งนั้นแล้วพูดไปตามที่ที่พิจารณาไปด้วยแสดงไปด้วยเพราะฉะนั้นคนเทศก็บรลุคนฟังก็บรรลุสมัยนั้นนะสมัยนี้เราก็คนเทศก็ได้บุญพราะเทศคนฟังก็ได้บุญพ่อฟังก็ได้บุญทั้งสองอย่างนะก็มันทําเหตุม า, มาเท่านี้อะ่ะ เขาคำ น, นวนว่าได้ฟังก็ดีแล้ววนนีก็ตามนั้นไงก็ตามตามนั้ น, <laughs> น, น, นคือท่านจะไม่บอกว่าท่านเป็นอยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้เขาขึ้นมาเอง ไม่ได้พูดไม่ได้พูดอะไรพูดแต่ว่าฝ่ายพระเขมะกะเทระไม่กล่าวโดยทํานองอื่นแต่กล่าวด้วยจิตที่สหรตด้วยวิปัสสนานั่นเองฉะนั้นจึงสําเร็จเป็นพระอรหันต์คือการที่ท่านบอกว่าผมไม่ได้สําคัญว่าขันท่าเป็นอัตตาหรือว่าเป็นอัตตนิยะเนี่ยนะคือบริขารของอัตตาแต่ก็ยังสําคัญว่าเราอะมีเนี่ยนะก็ด้วยอํานาจของมา n น a ะคำนั้นแหละ ท, ที่ที่บอกว่าท่านเป็นเป็นพระริยะ แล้วท่านก็พูดว่าท่านเอ่อว่าเหตุผลที่คิดอย่างนั้นอะ่ะพ่อละอันนั้นได้ก็ก็แสดงมาตามเหตุผลทั้งหมดอยู่แล้วนนะคือถ้าอ่านจับเรื่องดีๆก็จะบอกว่าท่านท่านเป็นพระ น, นาคามีอยู่แล้วหมดเวลาแล้วนะพรุ่งนี้วันเสาร์มันมีเวลาก็มาปั <c oughs> ภาษาภาษตัวเวทนาเองนิพัติก็คือตัวเวทนานั่นแหละที่มันเกิดขึ้นนิพัติก็แปลว่าความเกิดขึ้นนั่นแหละที่แน่เกิดขึ้นกับตัวเวทนานั่นแหละมันมันก็เกิดด้วยมันไม่ใช่มีแต่ปัจจัยเท่านั้นนะตัวมันเองมันก็เกิด